เสียงอ่านพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สี่พระวินัยปิฎกเล่มที่สี่มหาวัคคภาคหนึ่งหน้าที่สามสิหทับสามร้อยสี่ข้อที่สามสิบเจ็ดเรื่องชดินสามพี่น้องครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ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 ของชาดินสามร้อยคนชาดินชื่อขยาเกษปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดินสองร้อยคนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปสู่อาสมของชาดินชื่ออรุเวละเกษปะแล้วได้ตรัส ก, กับชาดินชื่ออรุเวลกษปะว่าดูก่อนเกษปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึง่งขาแต่มหาสมณนะ ข้าพระเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสอรพิษมีพิษไร้แรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลาบากแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ฉดินอุรเวละกสปะว่าดูก่อนกสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งข้าแต่มหาสมณะ ข้าพระเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาพเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสอรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ชนินชื่ออรุเวละกัสปะว่าดูก่อนกัสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาพเพลิงสักคืนหนึ่งข้าแต่มหาส ม, มณะ ข้าพระเจ้าไม่นักใจเลยแต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสอรพิษมีพิษไร้แรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากลางทีพญานาคจะไม่ทำให้เราลำบากดูก่อนกสปะเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิงข้าแต่มฮะสมณะเชิญท่านอยู่ตามสบายเถิด ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาเพลิงแล้วสงปู่ย่าเครื่องลาดประทับนั่งคูบาลังตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นปาฏิหาริย์ที่หนึ่งข้อที่สาสิบครั้งนั้นพญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปนั่งดังนั้นแล้วครั้นแล้วมีความคึงเคียดไม่พอใจจึงบังหวนควันขึ้น ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าชนายนาเราพึงครอบนำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของตนไม่กระทบกระทั่งผิวนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกดังนี้แล้วทรงบันดาลอิทธาพิสังขารเช่นนั้นทรงบังหวนควันแล้วพญานาคนั้นทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ้นไฟสู้ในทันที แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้ากระ ส, สินสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์บรรดานไฟต้านทานไว้เมื่อทั้งสองฝ่ายโล่ไฟขึ้นโรงบูชาเพลิงรุ่งโรดเปลวไฟเพลิงดุดไฟไม่ไปทั่วจึงชดินพวกนั้นพากันล้อมโรงบูชาเพลิงแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าชาวเราพระมหาสมณรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่ ต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงครอบงามเดชของพญานาคนั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกทรงขดพญานาคไว้ในปากโดยผ่านราตรีนั้นแล้วทรงแสดงแก่ฉลินอรุเมละกสปะด้วยพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนกสปะนี่พญานาคของท่าน เราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราแล้วจึงชะดินอุรุเวละกสปะได้ดำริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแท้จึงครอบงำเดชของพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอัศรพิษมีพิษไรแรงด้วยเดชของตนได้แต่พระมหาสมณะนี้ก็ไม่เป็นพระอารหาันต์เหมือนเราแน่ ที่แม่น้ำเนรัญชาราเพราะผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวละกัสสะว่าดังนี้ดูก่อนกษสะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่งข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลย แต่ข้าพเจ้าหวังความสำาราจึงห้ามท่านว่าในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสอรพิษมีพิษไร้ายแรงยาเลยมันจะทำให้ท่านลำบากลางทีพญานาคนั้นจะไม่ทำให้เราลำบากดูก่อนกสปะเอาเถิดท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิง พระผู้มีพระภาคทรงทราบอุรุเวละกสปะนั้นว่าอนุญาตให้แล้วไม่ทรงครั่นคร้ามปราศจากความกลัวเสด็จเข้าไปพญานาคเห็นพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงคุณความดีเสด็จเข้าไปแล้วไม่พอใจจึงบังหวนควันขึ้นส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐมีพระทัยดีมีพระทยัะไทยไม่ขัดเคืองทรงบังหวนควันขึ้นในที่นั้น แต่พญานาคทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้ส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐทรงฉลาดในกสินสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์ได้ส่งบันดาลไฟต้านไว้ในที่นั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายโลงไฟขึ้นแล้วโ ร, โรงบูชาเพลิงรุ่งโรดไปด้วยเปลเวไฟพวกฉดินกล่าวกันว่าชาวเราพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่ ครั้นราตรีผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟสีต่างๆของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฤทธิ์ยังสถิตอยู่พระรัศมีสีต่างๆคือสีเขียวสีแดงสีหงสบาทสีเหลืองสีแก้วพลิกปรากฏที่พระกายพระอังคีรถพระพุทธองค์ทรงขดพญานาคไว้ในบาทแล้วทรงแสดงแกบพรามว่า ดูก่อนกัสปะนี่พยานาของท่านเราครอบงามเดชของมันด้วยเดชของเราแล้วครั้งนั้นชดินอุรุเวลากัสปะเลื่อมสายยิ่งนักเพราะอิทิปาติหาร น, นี้ของพระผู้มีพระภาคได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระมหาสมณนะนิมนต์อยู่ในที่นี้แหละ ข้าพเจ้าจะบังรุงท่านด้วยพัฒตาหานประจงปฏิหารที่หนึ่งจบ